ในเรื่องพุทธศาสนาแล้วพระสมมาพุทธเจ้าพยายามที่จะสอนเราให้เราเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดในเรื่องราวของชีวิตของเราเอง เท่า น, นั้นเองในเรื่องของพุทธศาสนาพระองค์ท่านพยายามที่จะสอนเราให้เราเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เห็นความเป็นจริงแท้ชีวิตของเราเพราะขณะนี้เราไปรู้เห็นความเป็นจริงของชีวิตของเรานั้นเฉพาะด้านที่เป็นสมมติ เราไม่เคยรู้เห็นความเป็นจริงแท้ชีวิตของเราทางด้านที่เป็นปรมัตา์เลยเราจึงมาติดในสมมุติเราจึงมาติดในสมมุมติมม ừ, ท่านพยายามสอนเราให้เราเกิดเรียกว่าให้เกิดสติเกิดปัญญาให้รู้เห็นความเป็นจริงแท้ของชีวิต ให้เกิดสติปัญญาจกนกระทั่งไปถึงจุดสุดท้ายคือมหาสติมหาปัญญาทำไมจึงต้องให้เกิดเป็นมหาสติมหาปัญญาทั้งนี้เพื่อที่จะไปทำลายไอ้ตัวกิเลสอวิชชาที่มันแฝงอยู่ในจิตแท้ของเรา คือสุดท้ายนั่นอาจจะต้องใช้มหาสติมหาปัญญาที่เกิดจากมัคสมังคีเกิดจากการรวมตัวกันของมัคให้เกิดเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็ไปทำลายพระพุทธเจ้าชั้นใช้คำว่าสลัดภาษาบาลีท่านว่าปาตินิสักเเค ปฏินิสสเข ค, คือสลัดสบัดสลัดให้ อ, อวิชชาที่มันแฝงอยู่ในจิตแท้ของเราให้มันหลุดออกไปให้ได้ถ้าตราบใดที่กิเลสอวิชชามันยังไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากจิตแท้ของเราได้ตราบนั้นมันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ มันยังดับทุกข์ไม่ได้เพราะว่าอาวิชชานี้มันเป็นอนุสัยกิเลสพระุทธเจ้าเรียกว่ามันเป็นอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานเป็นกิเลสละเอียดที่มันเกาะติดแน่นอยู่ในจิตในใจของเราฝังอยู่ในจิตในใจของเรามันจะต้องสลัดด้วยมหาสติมหาปัญญา มันเราก็ต้องพยายามค่อยๆเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตต้องเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตอย่างไรก็ตามในเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตนั้นพระสมมาผู้เจ้าได้บัญญัติ ขันห้ามาให้เราศึกษาได้บัญญัติขันห้ามาให้เราศึกษาขันห้านี้เป็นบัญญัติสัตว์บุคคลเป็นสมมุติขันห้าเป็นบัญญัติรูปนามเป็นปรมัติตย์ สามขั้นนะสามขั้นสัตบุคคล น, นี่เป็นสมมุติสัตบุคคลสิ่งของต่างๆนี่เป็นสมมุตินี่ชั้นหนึ่งชั้นหยาบที่สุดคือชั้นที่เราอยู่กันทุกวันนี้แหละเราอยู่ในโลกแห่งสมมุติสมมุติทุกอย่างมองเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์อย่างนั้นสัตว์อย่างนี้สัตว์ชื่อนั้นสัตว์ชื่อนี้บุคคลก็เป็นผู้หญิงผู้ชายชื่อนั้นชื่อนี้นี่เป็นสมมุติผู้เจ้าบัญญัติสมมุติขึ้นมานั้นนะ่ะให้เรามาศึกษาเพื่อที่จะเข้าไปรู้ถึงปรมัดถึงขั้นความเป็นจริงแท้เพราะฉะนั้นขั้นขันห้านี่ยังเป็นบัญญัติอยู่ ขันหเป็นบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นนะ่ะมีอยู่หประการสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมานั่นมีอยู่หประการหนึ่งขันห้าสองอายตนะส2บสองสาธาตุสิบปดสอินทรีย์ยี่ิบสองห้าอริยสัจสีหบุคคล พระเจ้าบัญญัติมาหกอย่างนี้บัญญัติเพื่อให้เราเข้าไปศึกษาเพื่อที่จะเข้าให้ถึงปรมาทัตน์เพราะฉะนั้นจากขันห้าที่พระเจ้าบัญญัติมานี้พระเจ้าบัญญัติขันห้าให้เราไปศึกษาเกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นขันห้านี้ก็คือความเป็นไปของชีวิตขันห้าความเป็นไปของชีวิต หลัจากบัญญัติขันห้านี้เราจะต้องเข้าไปศึกษาในขั้นสุดท้ายคือขั้นปรมัติรูปนามจากขันห้าย่อลงมาแล้วเป็นปรมัติเป็นรูปนามแค่สองอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความรู้จักกับขันห้าให้ดีนั่นแหละ ในการที่เราจะปฏิบัติภาควิปัสนาเพื่อให้เกิดวิปัสนาญาณส6หต้องรู้จักขันห้าให้ดีต้องทำความรู้จักกับขันห้าให้ดีจริงๆนั่นนะขันห้ามันก็ลึกซึ้งพอสมควรการเกิดขันห้าก็ลึกซึ้งพอสมควร อาตมาก็อยากจะย้ําให้กับญาติโยมอยู่เสมอให้เข้าใจขันท่าให้ดีถ้ายังเข้าใจขันท่าให้ดีแล้วนี่นะถ้ายังเข้าใจขันท่าไม่ดีนั้นในการที่จะมาทําวิปัสนาให้มันเกิดวิปัสนาญาณสิบหกขั้นมันก็ยังยากมันก็ขอให้โยมได้ไปพยายามทบทวนในการเกิดขันท่าดูให้ดี เพรานั้นตามปกติพระเจ้าในภาควิปัสสนาท่านให้เราเฝ้าดูรูปดูนามในขันห้าไม่ใช่ดูรูปหรือดูข้างนอกต้องดูรูปในขันห้าดูนามในขันห้าดูรูปดูนามในขันห้าไม่ใช่ไปดูรูปข้างนอก อย่าที่อาตมาบอกว่าดูรูปนามของลมหายใจเข้าออกจริงๆนั้นไม่ใช่ไปดูลมหายใจเข้าออกดูรูปดูนามของขันห้าของลมหายใจเข้าออกดูรูปดูนามขันห้าของลมหายใจเข้าออกจริงๆนั้นไม่ใช่ไปดูลมหายใจเข้าออก ดูรูปดูนามขันห้าของลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นนี่ต้องดูถ้าจะพูดให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งมันมีรูปภายนอกกับรูปภายในอะไรคือรูปภายนอกสีที่มันกระทบตา เ ป, Yin, เป็นรูปภายนอกเสียงที่มากระทบหูเป็นรูปภายนอกกลิ่นที่มากระทบจมูกเป็นรูปภายนอกรสที่มากระทบลิ้นเป็นรูปภายนอกโหดทัพทะที่มากระทบกายเป็นรูปภายนอกรูปภายในคือรูปในขันห้า รูปภายในคือรูปในขันหา้ารูปภายนอกรูปภายนอกคือรูปที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มากระทบหูจมูกลิน้นอที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปภายนอกรูปภายในนั้นเป็นรูปในขันหา้าต้องแยกรูปแยก ให้ถูกอย่างนี้แล้วนามนามนั่นก็คือเป็นนามภายในขันห้านามภายในขันห้าก็คือนามเวทนานามสัญญานามสังขาร น, นามวิญญาณในขันห้าทีนี้ขันห้านะ่ะเกิดขึ้นอย่างไร ช้าๆอาตมาจะพูดช้าๆฉายหนังช้าๆอีกทีหนึ่งเออเอาเอเข้ามาลุกมาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาเอาเออเอาฝนตกดีๆเอาเอาเข้ามาน่านเออน่าน่าขันห้ามันเกิดขึ้นอย่างไร ฉายหนังช้าๆเอาทางตาก่อนทางตาก่อนขันห้ามมันเกิดขึ้นอย่างไรสีที่มากระทบตาเป็นรูปในการพิจารณาการเกิดของรูปของนามนี่อย่าลืมนะรูปนาม อิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดรูปนามอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปต้องยึดข้อ น, นี้ไว้ต้องยึดมั่นข้อ น, นี้ไว้ที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในยานที่สองปัจจะยะปริฆหายาน รูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นอย่างสีที่มากระทบตาสีก็เป็นรูปพอมากระทบตาตารู้สึกเห็นทันทีทันทีที่รู้สึกเห็นนั่นแหละวิญญาณขันเกิดทันทีที่รู้สึกเห็นวิญญาณขันเกิด วิญญาณขันก็คือนามใช่ไหมนามจิตวิญญาณขันก็นามจิตวิญญาณขันเกิดนามเกิดวิญญาณขันจากรูปภายนอกจากรูปภายนอกจากสีภายนอกมากระทบตาทันทีที่ตารู้สึกเห็นเห็นรูปวิญญาณขันเกิด วิญญาณเห็นเกิดถามว่าเห็นอะไรเห็นรูปเพราะฉะนั้นรูปประขันเกิดรูปประขันรูปในขันห้าเกิดอันนี้เป็นรูปภายในเป็นรูปภายในรูปที่จิตเห็นรูปที่จิตเห็นอันนี้เป็นรูปประขันนี่เป็นรูปประขันรูปในขันห้าเกิด วิญญาณขันเกิดก่อนแล้วก็มารูปขันเกิดแต่จริงๆนั้นน่ะมันเป็นไปในขณะเดียวกันเลยมันเกิดพร้อมกันเลยมันอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดตามปกตินั่นรูปนามมันเกิดพร้อมกันเลยเพราะมันอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดแต่ถ้าเรามาใช้หนังช้าๆแล้วก็ทันทีที่สี มาก็ทบตา น, นีพอรู้สึกเห็นพอรู้สึกเห็นน่ะวิญญาณขันเกิดพอวิญญาณขันเกิดรูปขันก็เกิดตามรูปที่เห็นรูปที่ตาเห็นมันละเอียดอย่างนี้โยมต้องใช้นี่หละต้องนั่งพินิษ ต, ตั้งนั่งพิจารณาดูนี่แหละจิตต้องมันสงบถ้าจิตมันยังไม่สงบแล้วมันจะไม่เห็นจุดนี้หลอวทีนี้เมื่อ วิญญาณขันเห็นรูปรูปขันเกิดรู้ว่าเป็นรูปอะไรสัญญาขันก็เกิดใช่ไหมพอรู้ว่าเป็นรูปอะไรสัญญาขันก็เกิดพอรู้ว่าเป็นรูปอะไรเท่านั้นสัญญาขันเกิดพอรู้ว่าเป็นรูปอะไรดีหรือไม่ดี ถ้าเห็นรูปดีรู้สึกสบายรู้สึกสบายใจใช่ไหมตรงข้ามถ้าเห็นรูปไม่ดีก็รู้สึกไม่สบายใจอะไรเกิดเวทนาขันเกิดเมื่อเห็นรูปดีเกิดความสบายใจก็เกิดความยินดีเมื่อเห็นรูปไม่ดีเกิดความไม่สบายใจก็เกิดความยินร้ายอะไรขันเกิด สังขารละขันเกิดใช่ไหมนี่ไงมันเกิดขันห้าอย่างนี้นี่ฉายหนังช้าๆอย่างนี้นี่ในขันห้าต้องเข้าใจนี่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนต้องมองเห็นภาพอันนี้ต้อง ม, มองเห็นภาพการเกิดขันห้าขึ้นอย่างนี้นี่พระเจ้าบัญญัติบัญญัติขันห้ามาเพื่อให้เราศึกษา ความเป็นจริงแท้ของชีวิตเพราะจากขันห้าแล้วต่อไปนี้พูะเจ้าก็ย่อจากขันห้ามาเหลือรูปกับนามรูปก็คงเป็นรูปนามเวทนานามสัญญานามสังขารนามวิญญาณรวมแล้วทั้งสี่นามนั้นเป็นนามเดียวเป็นนามเดียวเหลือรูปกับนามรูปกับนามนี้เป็นปรมัติตย์ รูปกับนามเป็นปรมัทิตย์ขันห้าเป็นบัญญัตินี่ต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นตามปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยในเรื่องของภาควิปัสสนานี่เราจะเฝ้าดูรูปนามแต่รูปนามในขันห้าหนะไม่ใช่รูปนามข้างนอก รูปในที่นี้หมายถึงรูปในขันห้ารูปนามในขันห้าบางคนยังเข้าใจผิดยังเฝ้าดูรูปข้างนอกอยู่คือรูปข้างนอกนั้นะ่ะเขาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลามันรูปนามขันห้ามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เฝ้าดูรูปดูนามในขันห้าก็คือดูรูปภายในนามภายในนี้ไม่ใช่ไปดูรูปข้างนอกไม่ใช่ไปดูรูปข้างนอกเพราะฉะนั้นนี่แหละประการแรกพระสมบูรษเจ้าจึงให้เราแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อน ให้เราแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนใช่ไหมในวิปัสสนาญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามอะไรคือรูปอะไรคือนามในขันหา้ารูปนามในขันห้านั้นมันเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่ารูปนามในขันขันห้านั้นมาจากทางไหน ไม่ว่าขันห้าที่เกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วรูปนามขันห้าเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดมี่รูปนามเฝ้าดูรูปดูนามในขันห้าที่มันเกิดขันห้าขันห้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ขันห้าเกิดขึ้นทางตาทางหูก็เหมือนกัน เสียงเป็นรูปภายนอกมากระทบหูทันทีที่เสียงมากระทบหูรู้สึกได้ยินจิตรู้สึกได้ยินนั่นรู ป, ปรขันเกิดไ อ, เ, อเวทไอวิญญาณขันเกิดเพราะจิตรู้ว่าได้ยินเท่านั้นวิญญาณขันเกิดเกิดได้ยินได้ยินอะไรได้ยินเสียงรู ป, ปรขันเกิดมันอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิด มันอิงอาสายซึ่งกันในการเกิดครั้งแรกมันมาจากรูปภายนอกแล้วมาเกิดรูปภายในนี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของภาควิปัสสนานนต้องให้โยมเข้าใจเราจะเฝ้าดูรูปดูนามในขันห้าทีนี้ก็พูะเจ้าให้เราแยกรูปแยกนาม ในในวิปัสนาญาณที่หนึ่งเมื่อเราสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วอะไรคือรูปอะไรคือนามแล้วต่อมาพระเจ้าให้เร า, เามายานที่สองใช่ไหมก็ให้เราสังเกตการเกิดขึ้นของรูปของนามเอาการเกิดอย่างเดียวก็ดูอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้การเกิดขึ้นของรูปของนามนั้นโดยที่ ทั้งนามและรูปนั้นอาศัยอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดทำไมประการแรกพู้เจ้าให้เราดูรูปดูนามประการแรกหนึ่งก็คือให้เราพยายามที่จะมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ให้มันเป็นปรมาท ให้มันมีแค่รูปแค่นามเท่านั้นเพราะขณะนี้เราอยู่ในโลกแห่งสมมุติเราไปติดในสมมุติไปยึดมั่นถือมั่นในสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแล้วมันเป็นรูปเพ่งแค่รูปแค่นามเท่านั้นมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนั่นแนะ่ะให้พยามองอยู่อย่างนั้นให้เป็นรูปเป็นนาม ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิงคองสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีแค่รูปแค่นามอย่างเดียวทั้สองอย่างนี้เท่านั้นเป็นรูปเป็นนามมันไม่มีชื่อเรียกสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเราไปสมมติชื่อเรียกขึ้นมาเองแต่โดยความเป็นจริงแท้แล้วมันไม่มีชื่อเรียกทั้งสิ้นมันเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นนั่นประการหนึ่งอีกประการที่สองท่านกรใหเราพยายามเฝ้าดู การเกิดของรูปของนามแล้วการเกิดของรูปของนามนั้นไม่ได้มีสิ่งอื่นดนบันดาลให้เกิดเลยนามรูปเขาเองอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดเองเป็นของมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนะโยนเป็นเรื่องที่เราจะต้องนี่ะต้องจิตที่ผ่านสมาธิมาแล้ว ถึงจะพิจารณาแล้วถึงจะมองออกถ้ยังไม่ได้ผ่านสมาธิมาจิตยังยังไม่สงบจิตมันยังวุง่นวายจิตมันยังแสงงสาย ม, สมันยังดิ้นรนมันยังไม่สงบเป็นสมาธิแล้วก็ยากที่จะดูจุดนี้นี่แหละพระเจ้าถึงต้องบอกว่าให้ทําสมาธิให้ก่อนถ้าสมาธิไม่ดีแล้วมันไม่เห็นจุดนี้ให้เฝ้าดูการเกิดของรูป ดูเฝ้าดูการเกิดของรูปของนามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรตามปรูตีมันก็อาศัยอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้รูปเป็นปัจจัยให้เกิด น, นามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปไม่ได้ฟ้าดินรวบรรดาลเลยไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบรรดาลให้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันเกิดขึ้นเลยรูปกับนามมันอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดเท่านั้น เพราะ้นเราก็จะเห็นเมื่อเราใช้หลักอันนี้จับดูพิจารณาดูก็จะเห็นว่าทั้งรูปทั้งนามมันอิงอาศัยซึ่ง ก, กันและกันเกิดรูปนามในขันห้านะขันห้าคือความเป็นไปของชีวิตนะพอมายานที่สามท่านให้เราดูความดับไปของรูปของนามอย่างเดียวให้เห็นการดับให้เห็นการดับ แล้วการที่จะไปสังเกตการดับของรูปของนามได้พูะเจ้าให้หลักว่าอย่างไรรูปนามเก่ามันจะดับได้ก็ต่อเมื่อรูปนามใหม่เกิดขึ้นหรือตรงข้ามรูปนามใหม่เกิดขึ้นรูปนามเก่าต้องดับรูปนามในขันห้านะมันจะเกิดซ้อนกันไม่ได้มันจะเกิดพร้อมนะขนาดเดียวกันไม่ได้ มันจะเกิดพร้อมหน้าขนาดเดียวกันสองรูปสองนามซ้อนกันไม่ได้รูปนามเก่าต้องดับเมื่อรูปนามใหม่เกิดขึ้นรูปนามเก่าต้องดับสนิทก่อนรูปนามใหม่ถึงจะเกิดขึ้นได้นี้แหละคือวิปัชนายานที่หนึ่งที่สองที่สามต้องเฝ้าดูต้องเฝ้าดู ให้เห็นการเกิดให้เห็นการดับทําไมผู้เจ้าจึงให้เราเฝ้าดูให้เห็นการเกิดของรูปของนามให้เห็นการดับของรูปของนามก็เพราะว่าเมื่อเราเห็นการเกิดการดับของรูปของนามแล้วเราก็จะบอกได้ว่ารูปนามนี้หนึ่งเป็นอนิจจมหนึ่งเป็นอนิจจมไม่เที่ยง ไม่เที่ยงทำไมจึงไม่เที่ยงล่ะอ้าวก็เพราะมีการเกิดขึ้นมีการดับไปเพราะมีการเกิดขึ้นมีการดับไปหรือจะว่ามีทั้งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแน่นอนมันต้องตั้งอยู่อเกิดขึ้นแล้วมันแน่นอนต้องตั้งอยู่เพราะนั้นก็มีการเกริดข well. ึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยง ซึ่งอ น, นิจจังมันก็ตรงข้ามกับนิจจังนิจจังมันเที่ยงหมายความว่าเที่ยงอยู่สภาพหนึ่งสภาพใดไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าเป็นนิจจังมันเที่ยงแต่ว่าขณะ น, นี้ทั้งรูปทั้งนามมันมีการเกิดมันมีการดับเพราะฉะนั้นรูปนามมันไม่เที่ยงเพราะเราเห็นการเกิดการดับอย่างชัดเจนแล้วนี่เห็นการเกิดใน านที่สองเห็นการดับในยานที่สามชัดเจนบอกได้เลยว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นรูปนามไม่เที่ยงบอกได้เลยว่ารูปนามนี้เป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงมันไหลเรื่อยไปตลอดเวลาเพรา ะ, ะนั้นแสดงว่ารูปนามมันเป็นรูปนามมันเป็นทุกข์รูปนามมันเป็นทุกข์หนาวใช่ไหมลูก ไม่เป็นไรเลยเอานี่ก็เมาเปิดพัดลมเบาๆนั้นน่ะเปิดพัดลมแอร์เบาๆอย่างเบาสุดต่ำสุดนี่รูปนามเห็นรูปนามไม่เที่ยงต้องเห็นรูปนามเป็นทุกข์เพราะมันอยู่ที่เดียวกันอันิจังกับทุกขังอยู่ที่เดียวกันเมื่อเห็นไม่เที่ยงต้องเห็นเป็นทุกข์เมื่อเห็นเป็นทุกข์ต้องเห็นเป็นอนัตตา อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บังคับบัญชาไม่ให้มันเกิดได้ไหมบังคับบัญชาไม่ให้มันดับได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปนามนี้ก็ไม่ได้เป็นของใครๆไม่มีเจ้าของเพราะถ้ามีเจ้าของถ้าเป็นของใครๆใครๆนั้นก็ต้องบังคับบัญชารูปนามนี้ได้นี่แหละ ที่เรียกว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนของใครๆเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของใครๆเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราเห็นรูปนามเกิดเห็นรูปนามดับเราบอกได้เลยว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานี่ปัญญาขั้นต้น ปัญญาขั้นต้นเกิดจากการเห็นรูปเห็นนามเกิดเห็นรูปเห็นนามดับทำไมจึงบอกว่าเป็นปัญญาขั้นต้นเพราะขณะนี้เราเห็นรูปนามเกิดเห็นรูปนามดับอย่างช้าช้าเห็นรูปนามเกิดเห็นรูปนามดับอย่างช้าช้าอย่างเช่นเห็นรูปนามของลมหายใจเข้า ลมให้ใจออกรูปนามลมให้ใจเข้าก็คือเกิดขึ้นที่ปลายจมูกรูปนามลมให้ใจเข้ามันดับที่ถุงลมช่องท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วนั่นรูปนามลมให้ใจดับรูปนามลมให้ใจเข้าเกิดดับหรือรูปนามลมให้ใจออกเกิดดับ เกิดที่ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วแล้วก็มาดับเอาที่ปลายจมูกนี่คือการสังเกตรูปนามเกิดรูปนามดับอย่างช้าๆของลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเกิดที่ปลายจมูกมันดับที่ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วรูปนามลมหายใจเข้ารูปนามขันห้ารูปนามขันห้าของลมหายใจออกเกิดที่ ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วดับที่ปลายจมูกนี่เป็นรูปนามขันห้าแต่โดยความเป็นจริงแท้แล้วมันเกิดดับช้าๆอย่างนั้นหรือเปล่าเปล่ามันเกิดดับเกิดดับติดต่อกันอย่างรวดเร็วตั้งแต่ลมหายใจเข้าที่ปลายจมูก แล้วลมหายใจเข้ามาสุดที่ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วนั่นนะ่ะลมหายใจเข้านั่นนะ่ะมันประทะกายตลอดเส้นทางตลอดหลอดลมตั้งแต่ปลายจมูกมาถึงช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วก็แปลว่า